เป็นมันระเกินท5ห้าค่ำเป็นห้าเป็นวันที่เราพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรพจิตกระเรือหัสอุบาสกบัติกาใครธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาอุโบโสถรศินรักษากายวาจาจิตให้มีสติปัญญาให้มีสมาธิมีปัญญาในวันธรรมสวนะเช่นวันนี้ การรักษาจิตโดยใช้สติควบคุมนั้นก็คือเจริญสิงห์สมาธิปัญญานั่นเองแต่เราไม่เข้าใจในการปฏิบัติสิงแต่เข้าใจคิดคิดผิดว่าเรามารับสิงนกับพระแล้วก็ไปผู้มีสิงก็ยังใช้ไม่ได้ผู้ทรงสิงหทรงธรรม ก็ต้องมีสติรจจำสำัมปชัญญะมีความรู้ขณะลมหายใจเขาออกตลอดในการในการเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ได้เรามาปฏิบัติธรรมก็มาบำเพ็ญเนคขมะปฏิบัติให้จิตสงบแล้วก็เจริญกุศลภาวนาด้วยการเจริญสติประทานสี่ แนวทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นเองสติปัฏฐานสี่นี้บอกว่าชัดเจนมากว่ัวกายในกายกายเราจะยืนเดินนั่งนอนนี้สำหรับผู้มาใหม่ก็ดีกล่าวก็ตามแต่ก็ลืมกายในกายกายในคือมีสติให้ครบจะจะเคลื่อนย้ายอริยบทต่างๆก็กำหนดมีสติ ตลอดเลยการถึงจะเรียกว่าผู้มีธรรมะในจำจิตประจำใจแต่แล้วคาสติแล้วนั้นจิตมันก็จะเพลินผ่านออกไปก็ไม่เป็นสมาธิสมาธิตัวนี้เนี่ยได้แต่ตัวสัมปชัญญะตัวรู้ตัวเข้าใจตัวมีเหตุมีผลรู้นอกรู้ในรู้อริยบทรู้ ความเป็นอยู่ของชีวิตแล้วก็รู้เหตุการณ์ของชีวิตรู้อะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจของตอนจะเป็นขณะราคะโทสะหรือโมหะมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทั้งนั้นแต่เรารู้แต่ไม่ปฏิบัติคำว่ามีธรรมะไปจำจิตเนะี่ยมันต้องรู้จริงรู้ซึ้งรู้ตื่นลึกน้าบางรู้ เ, เข้าไปในภายในก็เรียกว่าภายในกาย กายนอกกายในปัญญาตัวนอกปัญญาตัวในมันก็เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายเองปัญญาตัวนอกเนี่ยช่วยคนอื่นไม่ได้ปัญญาตัวในช่วยเราได้แล้วก็ส่งไปช่วยคนอื่นได้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านทรงไว้ซึงพระปัญญาทุกคุมีปัญญาภายในปัญญาถ้าจะพูดตามสับแสงของชาวบ้านก็เรียกว่าปัญญาในตัว ที่เรามาฝึกปฏิบัติกันนั้นต้องการจะสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองไม่ต้องการจะไปเอาปัญญาคุนโน้นปัญญาคนนี้แต่ประการใดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นปัจจัตต่างเฉพาะตัวเองเท่านั้นคนอื่นหาได้รูใหม่แต่การปฏิบัตินี้นำะไม่ใช่มาเข้าปฏิบัติเข้าเจริญกรรมฐ า, านแล้วถึงจะใช้สติต้องใช้ตลอดชีวิต ชีวิตนี้คือมีค่าอันสำคัญของจิตโดยค่าของจิตก็คือชีวิตที่มีประโยชน์ต่อตอนและประโยชน์ต่อบุคคลอื่นทั้งโดยใช้สติและปัญญะมาควบคุมการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ได้สนใจในเรื่องตัวนี้เลยขาสติไปมากในเมื่อขาดสติไปแล้วจิตใจมันก็หลง เล่นพลาดไปมีโมหะเจริตอยู่ในจิตนี่มาโมหะเจริตเกิดขึ้นในจิตแล้วขาดความรู้ขาดความเข้าใจก็เป็นตัวหลงเหมือนเราหลงทางไปมันเสียเวลาการกับชีวิตของเรามากถ้าเราม่สติอยู่ตลอดเลยการแล้วโมหะก็ไม่เข้ามาย่ำยีบีธาความหลงมันก็ไม่หลงจิตใจก็ไม่งงจใจก็สแสดงออก ซึ่งเป็นผู้มีปัญญานี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาในตัวที่เกิดขึ้นแก่ญาติโยมที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องใช้อยากจะให้เกิดปัญญาในตัวเองไม่ต้องไปเอาปัญญาผู้คนอื่นแต่ประการใดที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าลัตนาตรายบางทีถามโยมโยมไปตอบไม่ได้ว่าคุณค่าของพระรัตนาตรัยมีอะไรอยู่ประจําจิตใจหรือบ้างโยมก็ตอบไม่ได้ คุณค่าของพระธรนาใจที่อยู่กับตัวเรานั้นก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ที่เจตคือปัญญาภูมปัญญาตัวไหนต้องการจะใช้ชีวิตให้มีปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเองไม่จําต้องกล่าวว่าไปหาปัญญาที่นอกตัวแต่ประการใดจะเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม เป็นกิจกรรมที่เราจะสร้างให้แก่ตัวเองให้เห็นโดยเฉพาะคือปัญญาตัวนอกเนี่ยอยากแก่เรียนหนังสือมีความรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเพราะขาดปัญญาตัวในที่จะแสดงออกให้เกิดผลในตัวนอกได้อันนี้การเจริญพระกรรมฐานต้องการให้โยมมีปัญญาในตัว ให้มีสติทั้งปัญญาควบคุมตัวไม่ได้แต่ปัญญาในตัวมันก็เกิดขึ้นมาแสดงออกบอกให้คนอื่นทราบได้เราสามารถจะเอาปัญญาในตัวเนี่ยไปช่วยลูกช่วยหลานช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคนอื่นได้ปัญญานอกตัวนี่ช่วยใครไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นไปเรียนมาถึงปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์กันมากมายแต่ปัญญาตัวนอกได้แก่เรียนวิชาความรู้ ให้มีวิชาในการฉลาดในการทำงานเท่านั้นแต่หากว่าเราไม่เรียนในวิชานั้นมาเราก็ไม่สามารถจะดาเนิน ง, งานวิถีชีวิตนี้ด้วยการทำงานและหน้าที่ได้แน่นอนแต่วิชาที่เราก็เกิดว่าปัญญาในตัวในเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยการฝึกประกรรมฐ า, านทำให้เกิดปัญญาในตัว ทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการในเมื่อเรารู้และเราเข้าใจคนรู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะก้อนเนื่องจากมีแต่ปัญญาตัวนอกอ่านธรรมะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเลียนรู้ธรรมะมาเป็นมหาปเรียงกันก็หมากหลายแต่ปัญญาตัวในมันไม่มีชื่อไม่มีตัวหนังสือจะมาบอกตัวเราได้ไม่บอกคนอื่นได้ แต่ปัญญาตัวนายเป็นปัจจตังมีความรู้โดยเฉพาะของปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานสิที่เรียกว่าเนคขมะปฏิบัติมหาความสงมบอมาบาเพนสินดภวนาอมเพนสินดภวนาก็ต้องการให้มีสติกำหนดจิตให้ได้ทุกอริบท ปิยามารยายก็สวยสดพดงามจะทำท่าทำทางก็มีระบบมีระเบียบเปียบอยู่วินัยมันก็จะเกิดแก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างปัญญาให้มันเกิดแก่ตนในตัวไหนเช่นว่ากายภายนอกก็คือร่างกายชังขานในวัถตถุต่าง หรือจะเป็นธรรมสาลาสุขธรรมภาวนานี้ก็มันไล่วิญญาณมันก็เป็นตัวสาลาขึ้นมาก็เรียกว่าลูกมันเน่ยากายภายนอกของบุคคลนั้นที่เราไล่วิญญาณแต่เรามีทั้งวิญญาณมีทั้งกายนอกมีทั้งกายในมีทั้งจิตมีทั้งใจมีทั้งเนื้อหาสาระเป็นแก่นสารในตัวเองเพร้อมมูลบริบูรณ์ดีแล้วแต่เราไม่ใช้ไม่เป็น เราใช้ไม่เป็นการมันถึงจะพูดไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็ฟังไม่เป็นคนที่ใช้้เป็นประโยชน์จาตัวเองก็เรียกว่าฟังเป็นใช่ก็เป็นพูดก็เป็นมีความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจในตัวเองเป็นอ่านออกบอกได้ใช่เป็นแล้วก็สามารถจะอ่านคนอื่นออกได้รู้วาละจิตของตนได้เมื่อใด ปัญญาตัวในมันก็จะเกิดขึ้นมันจะปูดขึ้นมาเป็นตัวหนังสือได้เรียกว่าอ่านหนังสือไม่มีตัวมันพันพัวอยู่ในจิตใจเราครบเพราะเราอัดเข้าไปอัดเข้าไปเหมือนจิตนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่จะต้องอัดเสียงอัดอะไรเข้าได้ช่ั้นแล้วก็สามารถจะอัดเป็นละลานตัวคืออารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอ ถ้าหากว่าจิตขาดสติทั้งปัญญะมันก็พันผวนเปลี่ยนอารมณ์ไปนานาประการถ้าเรามีสติมีอยู่ในจิตมันก็ยับยั้งการคิดมันใช้สติปัญญาก่อนที่จะพูดจะจ ะ, จะคิดจะทำอะไรหรือก็จะได้ประโยชน์จากการทำและประโยชน์จากการคิดริเริ่มดำเนินงานทำตัวให้ดีมีปัญญา จะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงคนพูดนินทากาลีก็าตามมันจะรู้ด้วยตัวนายไอ้รู้ตัวนายนี่แล้วมันก็ตัวนอกมันก็ไม่อยากจะไปฟังเสียงนินทาเสียงเขด่ า, ดาให้ไล่ไปสืกมัอยากจะไปดูของที่เลวร้วายต่อไปความชั่วมันก็ไม่เข้ามาในจิตใจของเราไอ้ความดีความชั่วนี้นะไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราเป็นคนชั่ว แต่เราไปหาชั่วมาเองและเราก็เป็นคนดีแล้วก็ไปหาของดีมาเองไม่ใช่ว่าความชั่วมันจะวิ่งเข้ามาหาเราความหายณนะเช่นอใบยมุกสุลายาเมาการพา น, านันต่างๆไม่ใช่ว่ามันมาหาเราเราไปหามันเราไปติดมันเข้าไปติดการพา น, านันไปติดเหล้าเมาสุราติดยาเสพติดเป็นตน้น ไม่ใช่ว่ามันเข้ามาหาเราเราเดินไปหามันเองเราไปแสหามาถ้าเรามีสติปัญญาดีแล้วในตัวนายปัญญาตัวนายมันก็ไม่ต้องการที่จะออกไปหาปัญญาตัวนอกถือว่ามันเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ปัญญาทางโลกรีสร้าอาวุธประหัตปหารกันมันก็ไม่ต้องไปหาอย่างนั้นแล้วปัญญาตัวนายคือกายภายในนี้เอง การกำหนดว่ า, ายานุปัสนาสถิตฐานมีสติกำหนดกายเช่นยืนหนอห้าครั้งขอญาตโยมทำให้ได้ยังไม่มีใครทำได้เด้ตั้งสติไว้จี่กำมองกำหนดว่ายืนลงไปฉายแสงลงไปยืนหนอลงไปที่ปลายเท้ายืนช่ำรวมจากปลายเท้าขึ้นมาบนที่ศักด ยืมหนออย่างนี้เป็นตน้นถ้าหากว่าสติเราดีแล้วจิตใจมันก็จะอยู่มั่นคงมันจะเกิดปัญญาในภายในจะรู้อารมณ์ของเรารู้วาลติตของเราหายใจยาวหายใจช้าทั้งหลายและเราก็จะมีสติควบคุมอยู่เสมอภายในมันก็แจ้งชัดแก่ตัวเอง ตัวเองก็จะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นและจะเห็นตัวตายคลายที่ถีตมิตชอบแล้วก็ผู้สอนได้ผลอันตานไปหลักฐานสาคัญเกิดที่ตัวเองทั้งนั้น <c oughs> เพราะปัญญาเนี่ยปัญญาตัวนายเนี่ยต้องทำขึ้นไอปัญญาตัวนอกที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยจะเรียนหมหนึ่งถึงหมหกใครก็เรียนได้ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีต้องอาศัยศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้น แต่การศึกษาเล่าเรียนชีวิตนี้นะ่ะอันมีค่าชีวิตที่มีประโยชน์นี้ให้เกิดปัญญาลุ่งโลดโทษนาการเกิดแสงสว่างพุงจิตใจจิตใจไม่เศร้ามองใจิตใจก็ผ่องใสปัญญาตัวนี้ไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาแสวงหาความรู้แต่ประการใดที่ญาโยมมานั่งกรรมาฐานไม่ใช่มากันทรงเดช และด า, ายของทรงเดชไปเดินตรงกรมยังไม่ได้กําหนดจิต่ังสติปัญญาของตนในตัวนายไหนเลยเราจะแก้ปัญหาดา้าก็ไปฟังเขาพูดเถียงนกเถียงกาเขาบอกมานั่งกรรมาฐานแก้ปัญหาดา่ถูกต้องตามที่พูดแต่วิธีปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะมาเด้ปฏิบัติจริงทาไม่จริงพาสมาธิ ใจิตใจก็เคว้งคว้างหาที่เกาะไม่ได้ขาดจิตไปปัญญาก็ไม่เกิดในตัวนายนี้ไอปัญญาไปเรียนหนังสือมาเนี่ยฉลาดเฉลียวเปลียวฉลาดเฉลียวเกลียวกราดในวิชาการจะเรียนทันกันได้หมดทุกคนมีพันคนก็เรียนจบในพันคนแต่ปัญญาที่จะได้ในตัวนายเรียนจบทั้งครบพันคนไม่ได้ ต้องมีศรัทธามีความเชื่อความเมื่อมใสและเกิดปฏิบัติตัวเองขึ้นมาจะอยู่ในฐานะใดดยูในคติใดจะอยู่ในพบไหนจะอยู่ในท่าอริยบทใดจะยืนหรือจะเดินจะนั่งมิจะนอนจะเลี้ยวซ้ายหรือแลกขวาจะคู่หรือจะเหยียดเหยียดขาก็ใช้ปัญญาตัวนี้คือสติกำหนดกายในายกาย กายเคลื่อนย้ายก็กำหนดคู่เข้ามาเหียดออกไปก็ต่างกำหนดสติก็ดีขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นในเรื่องกายเหลนะ่านั้นเรียกว่ากายทิปมันเกิดที่อำนาจทางกายให้จิตของเรานี่เองไมาใช่อยู่ที่อื่นแต่ประการใดมีอะไรก็กำหนดได้ทันทีอยู่ตรงนี้คือปัญญาตัวไหนเดี๋ยวนี้ไปหาปัญญาแต่ตัวนอก ไปหึกษาไปฟังพระเทศไปฟังพระบัญญายไปบวชชีพรามไปฟังพระเทศแล้วก็แจกกระถิงนแจกซองผับป่าแจกอะไรกันไม่พักส่างพระรามสร้างโบสถ์บ้างอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปัญญาตัวนอกไม่ใช่ปัญญาตัวในในจิตใจของท่านเลย่านจะแสดงออกบอกได้อย่างไรว่าปัญญาของท่านที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างนี้มันจะมีที่ไหนเหลา เก่งตายานุปัฏนานสติปัฏฐานข้อหนึ่งมีสำคัญมากตายืนยืนหนอ่อเอาสติตามทิศให้มันทันอย่าไปยืนแล้วก็กําหนดไม่ได้นะยืนลงไปก็ผ่านไปปลายเท้าอย่าไปวิจัยอย่าไปประเมินผลอย่าไปว่าเปรสาลมาหรือว่านังเนื้อหนังมังสังอาการถาที่สองหรือการเจริญสติอันนี้นะ่ะ มันก็เป็นอย่างนี้หรืออ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งอนาัตตาไม่ใช่ให้พิจารณาอย่างนั้นให้เราต้องการมีสติในภายในเรียกว่ากายภายในมีสติอยู่ภายนอกเรียกว่ากายภายนอกเช่นเราจะมีจิตนี่มันจะสั่งงานให้เดินสั่งงานให้หยิบของจิตมันสั่งแล้วก็กายก็ทําไปตามจิตที่สั่ง สติกับจิตมันอยู่ด้วยการผนึกเป็นแบบเดียวกันแล้วมันจะสั่งงานที่ถูกต้องสั่างงานที่ดีจะทําอะไรก็สร้างแต่ความดีคิดแต่ความดีลิเริ่มดำเนินงานด้วยความถูกต้องจะทําอะไรมีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอนที่สุดจะมีความเสียหายหรือบกพร่องไปบ้างก่อ น, น้อยเต็มทีคนที่บกพร่องงานการมากมายไม่เอางานเอาการขี้เกียจตลอดรายการ นั้นหมายความว่าเขาขาดปัญญาตัวนี้ไม่มีปัญญาที่จะอยู่กับสิธิให้มีสติปัญญาอยู่ในภายในได้เขาจึงขี้เกียจไม่อยากจะช่วยงานใครแล้วไม่อยากจะทำงานให้ไกคๆตัวเองก็จะช่วยตัวเองไม่ได้และจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้จะสอนตัวเองก็ไม่ได้ต้องมีปัญญาในตัวถึงจะสอนตัวเองได้ สามารถจะเปลี่ยนระบบนิสัยปัจจัยจากอัจฉรยาสายที่เร็วล้ายกลับล้าไกลดีได้ทำให้อัจฉรยาสายโอบอ้อมอารีวัตีก็ไปเลาะสงเคราะทุกคนวางตนให้เป็นกลางมันก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนี่ปัญญาตัวไหนเรียกว่ามันไม่มีตัวหนังสือบอกจะไปดูหนังสือกี่และร้อยเล่มท่านก็แค่นั้นเอง ปัญญาท่านก็เกิดทางโลกทีนปัญญาปัญญาทางโลกแก่งมากแต่ปัญญาตัวในไม่มีท่านจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ท่านจะแก้ทุกข์ไม่ได้ในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านจะแก้อย่างไรแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะขาดปัญญาตัวในผู้ที่จะมีปัญญาในตัวในได้นั้นต้องเจริญประการฐานสั้างสติไว้เป็นกำการกระทําให้ฐานะดีจิต กาอยู่ที่งานในสมาธิไม่ทิ้งงานและหน้าที่สมาธิก็ดีปัญญาก็เกิดในตัวนั้นงานการที่ทํานั้นก็ไม่เสียหายจะไม่บกพร่องแต่ประการใดคนที่ทํางานเสียหายและบกพร่องตลอดราการนั้นก็ขาดปัญญาตัวนั้นจะมักง่ายมักได้ทําอะไรก็มักง่ายมักได้ไม่เมียบร้อยไม่หมดจอดไม่ไม่ถูกแบบทําอะไรก็ ขอไปชี้เท่านั้นหยาบคายมากถ้าคนมีปัญญาภายในละเอียดอยู่กับจิตด้วยการกาหนดจิตได้เช่นดังกล่าวแล้วสติท่านจะดีขึ้นจิตใจท่านจะละเอียดอ่อนจิตใจท่านจะอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่จิตใจจะโน้มเอียงไปในทางดีเสมอจะไม่ลิเริ่มในทางที่เสียหายจะประทานได้จิตจะไม่หลงแหลกแตกลาน ละรวมเวหลวไหลอีกต่อไปทำอะไรก็เป็นแก่นสารทำอะไรก็เป็นเนื้อหาสาระก็ได้อาศัยปัญญาในตัวนายน้ปัญญาตัวนายนี้ไม่มีใครไปสนไม่มีใครปฏิบัติกรรันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสุขทางใจจิตใจมีความสุขไม่มีทุกนั่นแหละปัญญาตัวนันไม่มีใครจะไปแสหาแต่ประการได้มีความหมายอยู่ตรงนั้นมากมาย ยืนหนห่๕ครั้งบางทียืนได้เอาปากยืนหน่เฉยแต่จิตไม่ไปสติไม่ตามปัญญาท่านจะไม่เกิดเลยได้จะรู้ได้จะร้ายว่าปัญญาตัวนายของท่านเกิดแล้วต้องทำได้ครองด้วยแล้วช้าด้วยตั้งสติไว้ในภายในจิตใจก็ดีจิตใจก็มีปัญญาตัวนายทำอะไรก็จะแก้ปัญหาแก้อารมณ์ร้าย ให้กลับร้ายกายดีได้อชยาสายที่ใจล้อนลนใจมักง่ายมักด่ามันก็เกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมาก็กลายเป็นมักแปดกลายเป็นสิงกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาหลอหกลวงกองการทั้งขานอ่านออกบอกได้ใช้เป็นอารมณ์ของเราเช่นนี้แล้วเหตุใดแล้วจะรู้คนอื่นไม่ได้ ถ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาในตัวของพระองค์ท่านเรียกว่าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาการุณาธิคุณสามารถช่วยชาวโลกได้ทั้งโลกก็พระองค์ได้ใช้ปัญญาตัวไหนแต่ญาติโยมใช้แต่ปัญญาตัวนอกเอาแต่อารมณ์ของตนเอาไปฉายกันก็โคงต่างเถียงกันขวนขโมวงหมด ไหนมาไปเช่นนี้ไหนเลยแล้วปัญญาที่จะแก้ไขปัญหามีแต่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ไม่เดือดร้ความสุขให้แต่จิตใจแต่ประการไดเลยสร้างแต่ปัญหาให้เกิดอยู่ในครอบครัวครอบครัวของท่านมีปัญหามาได้สามีภรรยาคู่นั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความว่าวุ่นมีแต่ความวุ่นวายจิตจะไม่สงบแต่ประการได้จิตหาความสงบไม่ได้ท่านจะมีความสุขทงังจิตใจได้ไหมจะไม่ได้เลยความสุขนี้ก็จะหายไปความทุกข์ก็มาแทนที่สร้างแต่ปัญหาแก้ปัญหาไม่ตกเพราะท่านปลงไม่ตกขาดสติทั้งปัญญยะในการแก้ปัญหาไหนเลยละปัญญาในตัวท่านจะออกมาแก้ปัญหาได้ แต่ให้ลูกดีก็ยังไม่ได้สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันก็เพราะปัญหาอันนี้ไม่มีความสุขทั้งจิตใจและก็สามารถจะเบียดเบียนจิตใจกันเหยียดหยามซึ่งกันและกันสามีเหยียดหยามภรรยาภรรยาไหนเลยเราจะให้เกียดกับสามีได้บ้างนี่แหละไอ้ปัญญาตัวนหนถ้าท่านมีด้วยกันทั้งสองระวางสามีภรรยาท่านจาไม่อยู่รอ น, นอนทุกข์ แต่จะมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่สติปัญญาอยู่ในบ้านขั้นตอนสามารถจะแก้ไขปัญหาให้ลูกดีได้สามารถจะแก้ปัญหาให้ครอบครัวได้อยู่ร่มเย็นเป็นุพใต้บา ร, รมีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคงจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปแล้วสามีภรรยาที่ไม่มีทุกข์สาาร้างแต่ปัญหากันเพราะขาดปัญญาตัวนี้ ขาสติสามีก็ไม่ค่อยจะมีสติภรรยาก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิภรรยาก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างครอบครัวนั้นก็ไม่มีปัญญาตัวไหนอันนี้ถ้าท่านมาเจริญกรรมาฐานเข้าท่านจะอดทนบริหารกายก็เข้มแข็งดีจะเดินจงกลอมลืมตาดูกายเท้าบริหารกายเข้มแข็งตั้งสติไว้ให้อดทน ต้องการฝึกกิดให้อดทนจิตใหให้กระเสริฐล้ำเลิศแต่ต้องตลอดเลยการไว้เพื่อจะต้องการอัตตาฮิตโตนา โ, โถต้องการจะพึ่งตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการจะไปพึ่งคนอื่นแต่ประการใดจะพึ่งพี่น้องก่อเปลี่ยวกายพึ่งพ่อแม่ก่อแลเหลียวท่านก็อเลี้ยวรถหมดวาระและเวลาสัางขารก็เสื่อมแน่เท่าชะแลแต่ชะลาไป ต, ตามตามกัน ไหนเลยเราแทนจะช่วยเราได้ตลอดไปเราก็โตขึ้นจเจริญไวชนะสาอายุถึงปู่นี้แล้วก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จะช่วยตัวเองก็แสนจะยากลําบากลําเคงใจจะสอนตัวเองก็สอนไม่ได้ก็เนื่องจากทิฏฐิตัวนั้นขาดปัญญาตัวนั้นมีแต่ทิฏฐิมีแต่มิฉาชีพจะประกอบอาชีพา ง, งานก็มิจฉาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ดี เป็นอาชีพที่่าเขาเป็นอาชีพที่ยาพิษเป็นอาชีพที่ของนั่นเป็นพิษเป็นภยัยมันมีความบริสุทธิ์ไายจะประการได้มีแต่พิษมีแต่พายมีแต่เสนียดจังหลายทั้งอาชีพการงานก็เป็นเช่นนั้นด้วยแต่เป็นคนมิีชาชีพไม่เป็นเป็นคนสัมมาทิฏฐิคนที่มีปัญญาตัวนายจะมีแต่สติปัฏฐานสี่ครบ จะเลื่อนสติเรียกว่าอืมาประกอบอาชีพการงานเรียกว่า า, มาไม่ใช่นิถานิติแต่เป็นมิิทิที่ชอบแล้วประกอบสัมมาทิฏฐิล้วกอบศึกโดยชอบใช้ชีวิตต่อธรรมะและชีวิตครองรักครองเลี้ยนคลองคลองติดครองใจคลองเหตุครองผลอยู่ได้กระ ต, ตนในครอบครัว ไม่กลายเป็นคนมักง่ายมัก่ายจะรักกันยอดชีวิตคู่คิดตลอดการอาจจะมีสามีเป็นเพื่อนคู่คลิกอาจจะมีภรรยาเป็นเป็นคู่คิดกันในบ้านเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรร่วมบ้านกันระหว่างสามีภรรยานั่นแหะคือปัญญา ต, ตัวนหนึ่งจะไม่แหงหน่ายคลคลายคลา ย, คลายกันแต่ประการใดมันมีแต่ความรักความเคารพความนอบน บ, นบและบูชา มีแต่ความรักความนิยมชมชอบมีแต่ความเลื่อมใสศรัทธาตลอดยการมีแต่ไมตรีจิตมิตรภาพตลอดการมีไมตรีจิตมิตรภาพแล้วยังไม่เพียงพอมีการมีการเคารพนับถือกันมีความเคารพนับถือมีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเอาใจใส่ต่อกันแล้วก็มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะเอาใจใส่ต่อกัน สามีภรรยามีปัญญาตัวนจะเอาใจาใส่ภรรยาภรรยาก็จะเอาใจใส่สามีต่อผ่าต่อนต่างปฏิบัติ ด, ดีต่อกันจะกลายเป็นคนเห็นใจกันเป็นกลายเป็นขนใจกันเห็นใจกันเอาอกเอาใจกันตลอดเวลากาลแล้วก็จะทิ้งกันได้ยาเรียกว่าเอาใจกันแล้วก็ไม่ทำลายน้ำใจกันนี่ชัดเจนมาก ในเมื่อไม่ทำลายน้ำใจซึ่งกันอะกันแล้วก็เอาใจกันแล้วพอเห็นอกเห็นใจกันมันจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบของปัญญาตัวไหนงั้นมาเห็นอกเห็นใจกันดีแล้วแล้วทำดีต่อกันไปอีกมันก็เกิดสงสารกรุณาสงสารถึ่งกันและกันจะทิ้งจะคว่างกันก็แสนจะยากจะลำบากดูก็ไว้ใจไปก็คิดถึงจะลาพึงลําพันกัน ตลอดรายการบางคนอยู่ก็ไม่ไหวใจไปก็ไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครเลำพึงํำพันต่อประการใดเพราะไม่มีปัญญาตัวไหนความรักก่อกลายเป็นความรักที่เลือนลางไม่ใช่รักอันแท้จริงไ ม, ม่ใช่เลี่ยมใสกันแท้จริงถ้าเราเอาใจซึ่งกันและกันแล้วเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้วนั้นมันจะเกิดเอาเอาใจต่อการเห็นใจต่อกัน ความเป็นอยู่ก็เป็นอย่างเรียบเรียบเป็นอยู่อย่างไม่ง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือยศถือศักดิ์สามีภรรยาไม่ถือเนื้อถือตัวกันเป็นกันเองและเพนธรรมชาติเช่นดังกล่าวแล้วนี่คือปัญญาตัวไหนทาให้ท่านทั้งหลายอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งลูกหลานมีลูกก็นารัก์ลูกสาวลูกชายไม่แกวตาทั้งสองขา้าง แกวตาขวาพือลุกชายแก้วตาชายคืลุกขาสุขสาวหน้าเขาขาวทุกคนเราก็ต้องหวงแหนมะลูกกตาชีวิตนี้คือจิตก็คือคู่เพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านกันและการสมัครสมานธรรมกือสร้างความดีในตัวนายปัญญาตัวนายเกิดมาใดท่านจะมีความสุขในครอบครัวจะไม่ละหองแลแหงจะไม่หนองแหนงกันมีจะไม่มีสู้ซาจะประกาศได ไม่จะพูดกันก็พูดเพราะพูดหมอดเจาะพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากคนที่พูดดีๆต่อการหควปลาธนาดีมันเกิดขึ้นคือปัญญาตัวไหนถ้ามันมีปัญญาแต่ตัวนอกมันทั่วอะไรไม่ได้ขาดมนุษย์จะทพันธ์าขาดวาทะขาดขาดถึงขาดธรรมขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์นี่นะ่การปฏิบัติธรรมมันจะได้ประโยชน์ออกมาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาตัวไหน สามีภรรยาไม่เคยเข้าใจกันเถียงกันลุ้งแวงกันและไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วสามีก็เตบอีกหนึ่งกระเป๋าภรรยาก็เก็บเงินอีกกระเป๋าเท่าที่เห็นมาต่างคนต่างชายกันตและไม่มีปลองดองกันเลยเพราะขาดปัญญาตัวไหนถ้าท่านสามีภรรยาทลักกันแท้แน่นอน และเลื่อมสายศรัทธาซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจเอาถกเอาใจกันอย่างนี้แล้วรับรองว่าหนึ่งในตองอูหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนี่คือปัญญาตัวนานแต่ท่านมาจเจริญกรรมฐานมันจะลักสามีภระยามากขึ้นมันจะลากลูกที่ตกฝังมากขึ้นจะห่วงใยลูกมากขึ้นและความดีทั้งมท่านจะสิงกระิ่งอยู่ในจิตใจในปัญญาตัวไห น, นคือกายานปัจนานเล่น กายภายในคือสติดีเราจะเยี่ยงเท้าไปไหนจะเดินหมอบพลานเราก็รู้ตัวในสัมปชัญญะว่าเราเดินเนี่ยสวยไหมจะพูดจะเพราะไหมเดจิยามารย่าที่เราทําไปนั้นมันเหมาะสมกับสถานที่ไหมเหมาะสมกับการเวลาไหมเหมาะสมกับสังคมที่เราไปมาไหมเราเข้าสังคมเขาเขาาเขได้แต่งตัวก็มีระบบ มีระเบียบในสังคมเข้าสังคมก็ไม่เก้อเขินเข้าชีไหมก็มีแต่ผิดใจท่านจะเบิกบานหันษาชีวิตชีวาท่านก็จะแจ่มาสเหมือนดอกไม้ต่างพันสีเขียวสีแดงสีเหลืองว่ากันไปเอามาจัดแต่กันเอามาสายพานเข้ามันจะน่าสวยเพราะคนมีปัญญาเอามาจ่ายเข้าสวยร่ำรวยทุกคนมีระบบมีระเบียบเพียบเดยวนัย ทำอะไรก็รักกันดีมีปัญญาสามีภรรยาปลองดองรักเหมือนพี่มีน่น้องๆ้รักเหมือนเพื่อนรักเหมือนมิตรเหมือนมิตรภาพอันดีงามจิตใจก็เบิกบานนี่คือตัวปัญญาภายในมีโล ก, กออกดีทุกคนสิบห้าหยกหยกที่พกยองยองสวยหน้ารักกําลังไปที่นา่ารักน่าใครของบิาดามัรดา แล้วกิปิญามารยาทของน้อมต่อบิดามดาับิดามดาก็รักใครเลื่อมใสศรัทธากับลูกลูกก็เคารพ บ, บูชาพ่อแม่พ่อแม่ก็ดูแลลูกดูชมเชยลูกว่าสวยน่ารักจะแต่งกายจะใส่เสื้อผ้าอภรรกก็น่ารักไปหมดคนที่มีปัญญาพนระางภายในจะแต่งหน้าก็สวยจะดัดผมจะทรงผมก็สวย ลวยในน้ำใจมันทรงสวยไปหมดจะยืนเดินก็สวยนะ่ารักจะล้างชามก็สะอาดเรียบร้อยจะล้างแก้วก็เรียบร้อ ย, จ ะ, ย, อยจะถูบ้านก็เรียบร้อยสวยสะอาดหมดจดนั่นปัญญาตูวไหนทั้งนั้นก็ได้จากการเจริญสติไปพูดให้มันถูกต้องหน่อยได้ไหมบางคนก็บอกว่าไปวัดไหนมาไปวัดนนทน้อยแห น, แน่เลยก็กลับไปตำหนากแหนกัน เลยไปทะเลาะกันใหญ่เลยไม่ใช่วัดนั้นนะวัดน้อนๆนั่นแหน่ไม่ใช่ไม่อย่าสอนน้อนๆนั่นแหน่นะไม่อย่าสอนให้โยมไปสู้ซาสู้ซาสู้ซาเป็นโคกเป็นโคกไปแล้วก็เป็นโคลาไปอย่างนั้นเลยพอเปิดตุกเข้ามาก็สู้ซาสู้ซาสู้ที่โนนซาที่นี่แหวะแพซาที่โนนแพซาที่นี่ช้อปปิ้งที่โนนช้อปปิ้งที่นี่ไม่ใช่วัดนี้แล้ววัดนี้ชอบสงบปลรารลดทม สามีภรรยาสวยน่ารักจะมีบุตรธิดาก็สวยน่ารักทำอะไรมันน่าดูน่าชมพิลมลักทรัพย์ก็เกิดขึ้นคุณสมบัติก็ดีความมีความดีก็ดีขึ้นเรียกว่ารทรัพย์มีชื่อเสียงมีความรักไปไหนคนไหวเนื้อเชื่อใจมันได้รับความสะดวกสบายนะเหลือเกินเท่าที่การมีปัญญาตัวนายตั้งสติไว้ให้ได้กาหนดให้มันได้ อย่างนี้เป็นต้นแล้วเดินจงกรมเพ่งที่ปลายเท้าอย่าไปหลับตาบางคนโน่เนย่ยไปดูเสือโน่นแล้วก็ขวายางนอไอ้สติมันดีขึ้นรัตปัญญาตัวในก็เกิดไอ้ร่างกายชั้งขานมาเป็นสภาวะลูปเท่านั้นลูกจะเดินจะสวยจะดีก็อยู่ที่จิตจิตท่านมีความสุขจิตท่านมีอารมณ์ดี จิตท่านมีปัญญาติดท่านจะแก้ปัญหาทางด้านกายได้กายานุปัสนาอันนี้เดินจงกรมได้ดีมีปัญญาแล้วก็ย่อตัวกาหนดนั่งหนานั่งหนาลงไปแล้วก็มีสติตลอดเลยการจะหยิบจะยกจะหยิบอะไรก็ตั้งสติไวให้มันคุ้นมันเคยกับความดีอันนี้ท่านจะมีบกพร่องน้อยท่านจะมีแต่ความมั่งมีสิสุข ทำอะไรก็มีชลิมิงขวัญมงคลประจำตนประจำตัวประจำท่านทั้งหลายชลิมิ่งขวัญมงคลเทพีเจ้าเทวดาทั้งหลา ย, ลายก็สรรเสริญเจริญพรแก่ท่านทั้งหลายด้วยเวทนานุปัชนาก็ตาำก็อันเดียวกันเช่นกายพองหนอลุกหนอให้ใจยาวหน่อยนะเอาสติตามลมให้ใจให้ได้หายใจเข้าท้องมันจะพองหายใจออกท้องมันจะยุบ ไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงไปที่พุโทโธที่จะหมูกไม่ใช่ดูท้องหายใจเข้าเหมือนลูกปองเป่าเขาเรียมันก็ต้องท้องเอาเอาลมออกมันก็แฟบไปมันก็ยุบไปอย่างนี้แหละหนอขอให้ได้กําหนดจิตตั้งสติเข้าไว้ที่ท้องหนอยุบหน อ, ปหนอเป็นต้นให้มันได้ระเบียบมันมีระเบบทําอะไรปัญญาทางในมันก็จะเกิดว่าอ๋อท้องพององย่างนี้ท้องยุบอย่างนี้ เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสภาวะกายพองกายยุคลูกพองลูกยุบม่สติกําหนดได้ฉันก็รู้ว่าราูปธรรมนามธรรมในตัวเป็นอย่างไรปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้ในตัวเองทำอะไรก็ใจร้อนก็กลายเป็นคณใจเย็นใจเย็นแน่นอนในเมื่อใจเย็นดีแล้วทาอะไรมันเย็นอกเย็นใจนีแหละโบราณรวาละไว้รอนแดดที่แผดเผา ังจะต้องหลบเข้าต่อยต้นปรึกษาล้อลักหนักกุลาจะหลบเข้าที่ไหนกันนี่เจ้าคะขอฝากไว้จะหลบไปเข้าที่ไหนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ความรู้ก็ไม่มีจิตใจก็เลวแรกแตกลานออกไปนอกประเด็นนี้หรือท่านจะมีไปผู้มีปัญญาจะหลบดูในกองการรังขานอย่างไรได้แล้วเราก็อ่านตัวไม่ออกน่าจะยืนหนอแล้ว ห้องหนอยุคหนอก็อ่านไม่ออกทนะั้งนั้นเลยก็นอนหน อ, หน อ, หนอแน่แเลยก็ไปมาไปวัดไหนมาจ้าไปวัดแน่แน่นอนหนอก็แกไปสู้ซามานไปสู้ซาไปโคกเค็ที่โนนขาดสติแต่คนมีสติปัญญาจะเดินสวยจะเดินสวยจะเดินด้วยความเหมาะสมขอฝากว่าอย่างนี้เป็นตน้ตนตันทั้งหลายไม่ต้องเสียความคิดไปเปล่าๆไม่เปิดประโยชน์แต่ประการด้ เวทนานุปัฏนานั้นบังคับไม่ได้บัญชาก็ไม่ได้ไม่เกิดเองทำไมถึงเรียกว่าเกิดเวทนาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้เกิดเองทั้งนั้นเช่นปวดเมื่อยเนี่ยม่เกิดเองบังคับไม่ได้แล้วนั่งนานเขาก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าปัญญาตัวไหนมันจะเกิดมันจะบอกว่าทุก ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเสียใจก็กําหนดเสียใจหนอเสียใจหนอต่อเสียใจขึ้นมามาใดไม่กําหนดเสียใจเสียใจมันจะฝังจิตใจแน่นเป็นอมิสายเป็นชั้นดานต่อปไปมีแต่ความเสียใจคายความดีใจดีใจก็ต้องกําหนดที่ไหนคะที่ลิ้นปีที่ลิ้นปีนปให้ใจยาวๆให้ล ức, ึกๆ จะรู้ความเป็นอยู่ของชีวิตว่าปัญญาจะเกิดตรงนั้นอาตมาตอนขอหักนั่นมีสติพูดได้่ีทิ้ดไปว่าปาคือที่ไหนมันก็ไม่รู้แล้วมันตายไปหมดทั้งตัวแล้วหายใจทางสะดือได้แม้ได้ปัญญาตัวไหนนี่แหละเวทนาเกิดขึ้นฉกทุกมันจะเกิดขึ้นก็ต้องกำนดปวดทั่วสกุลกายปวดเมื่อยทั้งหลัง มันจะปวดอะไรก็กำนดก็กำนดนั่งสติไว้เช่านี้เองปัญญาตัวในก็จะบอกเราว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็ดับไปธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรที่แน่นอนตลอดไปได้หรอกมันไม่เจนนั่งปวดตลอดวันตลอดคืนมันต้องเปลี่ยนอรีบทยืนเดินนั่งนอนยืนแล้วก็ต้องมานั่งนั่งแล้วก็นอนกหนด เปลี่ยนตามอริยบทไปตามหน้าที่ของอินทรีย์หน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบต่างตาเห็นหนอเสียงหนอรับผิดชอบทั้งหูไว้เปลี่ยหนอรับผิดชอบทั้งจมูกไว้ฐานะคิวหาวิญญาณไปจากคุ้งอุตปาที่ญาณนางเป็นตน้นยานแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยในตนเองทั้งนั้นจากขุนทรีคืออินทรียทั้งาทั้งห้าอริยอินทรียทั้งหก สวรรคหกินียี่สิบสองาตที่ปดมันก็อยู่ในตัวเราครบก็สรุปแล้วเหลือกายกับรูปจิตกับกายรูปกับนามเท่านั้นไม่มีอื่นใดนอกเหนือไปจากนั้นได้นะเรามีสติกาหนดครบครันทันเวลามันจะไม่เสียหายจะประการได้จะแก้ปัญหาได้ทุกวิธีทางถ้าปัญญาตัวนี้สิงสถิตอยู่ในจิตใจท่านได้ อาจจะรู้ว่าปัญญาตัวในมันแก้ปัญหาได้จริงไอ้ปัญญาตัวนอกจะไปเรียนมายัางไงยังไงก็แก้ไม่ได้ขอฝากญาติโยมไว้ในที่นี้ด้วยนี่เป็นประโยคนแก่ตัวท่านเองแต่ท่านจะเอาได้หรือไม่ได้เนะี่ยปัญญาตัวในถ้าท่านกําหนดได้ตั้งสติทุกอิบทแล้วมันจะสวยสดงดงามมันจะสวยตลอดกาลเวลามันจะไม่มีเสียหายเป็นกระบอลกระแบงก็ตอนก็ะว่ายแต่งแต่ประการใด สวยน่ารักน่าชมพิลมลักบางคนก็สวยจริงแต่ถูกฉาบหน้าเกลียดพิลึหน้าเกลียดแล้วมันจะสวยไม่ไม่เสมอตน้นไม่เสมอปลายสวยเป็นกระบอนก็แบนสวยถูกฉาบสวยบางการเวลายังใช่ไม่ได้ต้องสวยเปรียบเลยไม่ละเลยสวยตลอดการเวลาสวยทั้งตน้นทนปลายนี่อย่างนี้เป็นตน้นเวทนากำหนดทางสติ อุเบกขาเวทนามันไม่สุขมันไม่ทุกข์นั่งเฉยๆใจมันก็ลอยหาที่เกาะไม่ได้ต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอที่ยิ่งไปนั้นนะกําหนดรู้เขาไว้มันจะได้รู้ไปทั่วรู้ถึงปัญญาบอกเวทนาไม่เกิดเคลื่อนด้ยวยอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ใจมันก็ลอยมือมองไปในะที่ต่างๆจิตใจก็ไม่มีที่เกาะถ้าคนราวก้าวต้องมีที่เกาะก็ะต้องมีที่เก็บ เก็บความรู้สึกไว้ความดีมีปัญญาเก็บสะสมความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะ น, นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์<ม>ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาเราจะอยู่ในสังคมเขาเราก็ต้องอาศัยอันนี้เราจะได้รู้ว่าฐานะเราดีอย่างไรแล้วจะแต่งตัวเข้าสังคมแต่งแบบนี้จะถูกต้องไม้มคนสังคมจะนิยมไหม ถ้าเรามีปัญญาตัวนายจะแต่งตัวได้สวยหรูน่าทัศนาดูตลอดกาลสวยชนต้นทวนปลายสวยเรียบเรียบเรียบเตมิมไมละเลยสวยตลอดกาลไม่ชูฉาติไอสวยชูฉาตินี่มันสวยเพียงครู่เพียงเวลาส ว, สวยด้วยศีลอาชละวัตโดยสติทั้งบัญญาไม่ลดละภาวนาจะสวยตลอดกาลเวลา สวยเรียบร้อยสวยไม่บกพร่องสวยตัวนี้แปลว่าหน้าดูเหมาะสมคำว่าสวยตัวนี้แปลว่าเหมาะสมแล้วเหมาะสมกับรูปร่างหน้าตาแต่งกายแต่งเสื้อผ้าอภรรกก็เหมาะสมทั้งใบหน้าวางหน้าวางตาได้เหมาะสมยิ้มแย้มแจ่มใสต่างใจสนทนาเจรจาพะเลาะทงเคราะเ อ, อือเฟือขาดเหลือก็ดูแคบ ไม่แปลกลูกค้ามาก็าจะยิ้มแยแ้มแจ่มใสปัญญาตัวนายมีถต่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะขายดิบขายดีมัง่งมีสีสุกจะค้าขายก็รวยจะทําไรก็รวยทธงระกิจก็สมดุลเสร็จพลันทันเวลาสําคัญตัวปัญญาตัวนายมันไม่ค่อยมีการไม่ได้มาปฏิบัติให้มันครื่งพลัดและปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ประทานได้เลยมีแหละมันเป็นอย่างนี้อย่างหนอ ติตานาุปัสนาติปฐานข้อที่สามที่เป็นธรรมชาติตองคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์เวลาตป็รานาเมอเพศประทึกเสียงมันไม่มีตัวตนจะคลัมมันไม่มีลักษณะว่าให้เราคลัมได้เป็นตัวตนเลยมันอยู่ลอยๆเหมือนกระแสไฟฟ้ากระแสคลื่นไฟฟ้าอยู่ที่อารมณ์ของเราถ้าเรามีส ต, ติทั้งัญญะดีตลอดลมหายใจเข้าออกฟองหนอยุบหนョแล้วเราก็รู้ได้เลยว่า ว่าอ๋ อ, อารมณ์ดีมีสุขอารมณ์ไม่ดีมีทุกข์ใช้ได้ถูกต้องอารมณ์ดีมาใดท่านจะมีความสุขเมื่อนั้นอารมณ์ท่านร้ายอารมณ์ไม่ดีจิตใจไม่สบายท่านจะมีแต่ความทุกข์ความยากความลําบากตลอดในการจะไม่มีความมั่นหมายในใจจิตท่านจะไม่มั่นจิตท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเอง จะไปเชือพึ้นพาอาศัยกครแน่นหน้าอกพกในใจแล้วก็ไปถ่ายเทพบรนเหนือบางไปถ่ายเทพบรนใต้ถ่ายแล้วยังไม่พออาจมาอิดอาจมาเปิดในบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดปัญญาตัวไหนไปหาบรรเหนือบรรใต้พราะมาแน่นหน้าอกพกในใจไม่รู้จะไปถ่ายให้ใครเา้าก็ไปถ่ายคนละ ก, กันบ้างจนเขาขี้เกียจฟังเขาเดินหนีก็มี บางคนมาเล่าแต่เรื่องความล้างเรื่องความทุกข์ความไรไม่ควรจะเล่าอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอดีตย อ, อ, อย่ามาลื้อฟื้นเรื่องอืงอ่นจะคลิกกิจชอบน่าจะทํากันให้มันได้อนาพศไม่แน่นอนแต่อย่าจับไม่ขั้นมตายท่านจะผิดหวังท่านจะเสียตใจตลอดชาติจะไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตของท่านได้จะไม่เกิดประโยชน์สัตยผลแก่ประการใดเลยขอเจริญพรอ ย, อย่างนั้น นี่แหละเป็นจุดสำคัญในมาจิตมันคิดอะไรเลเพราพาตั้งตทรทีกรเอาปัญญาตัวนามาพิจารณาก่อนว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอร้อยครั้งพันครั้งกาหนดไว้ตั้งให้ใจเดือดยาวเดี๋ยวมันจะคิดออกบอกตัวปัญญาตัวนว่าที่เราแส่ไปคิดนันนีย่ยไม่ถูกต้องมันเสียสมองเสีย ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาประการให้เครียดประสาทไปเปล่าๆ เ, เดี๋ยวความดันสูงดันต่ำขึ้นมาเราจะเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนบีถาจะไม่มีความสุขเลยนะขอฝากจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนก็มีแต่ความทุกขรรมม์ปปทำมานุปัฏนานเศรษฐฐานข้อที่สี่นั้นทําเป็นกุศลทําไปหนักกุศลเราก็ไม่ทราบว่าเราทําไปแล้วเมื่อครั้งอดีตเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้ว ถูกต้องประการใดมาปีนี้หาความสุขไม่ได้เลยเป็นหนี้สินเขามากมายก็าเห็นไดไอปัญญาตัวนก็จะบอกครั้งอดีตขึ้นมาว่าอ๋อที่มาปีที่แล้วเงินเดือนก็ไม่พอใช้เงินทองก็ไม่พอเลี้ยงลูกห่งลูกเรียนนังสือนิยกเผรียบ เ, เทียบให้ฟังไม่พอก็เพราะมันขาดตกบกพร่องตรงไหน ปัญญาตัวนายก็จะบอกว่าต้องอุดตรงนั้นต้องขาดตรงนั้นต้องเติมตรงนั้นต้องตัดตรงนี้เป็นตน้นนี่แหละมันมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดกาลเวลาไม่จะเสียหายเหมือนขาดตรงไหนก็ไปเติมเกินก็ตัดเพื่อประหยัดเวลาอย่าไปเครียดสมองไปทําไมเราไปคิดเพื่อให้มันโรคแบบไม่มีประโยชน์สอทีผลแต่เบิการได้ยิ่งคิดไ่ก็เสียสมองยิ่งคิดไ่ ก็ต่างชนิดอารมณ์ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายควรจะมีโรคอย่างเดียวก็โรคมาแทรกซ้อนทําให้เราอายุสั้นทําให้เราตายไวเป็นโรคหัวใจหนึงก็เยอะเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็กลายเป็นโรคตายมากคลิดมากลายก็กลายเป็นโรคลําไส้บ้างโรคตับโรคายโรคมะเร็งบ้างเป็นตน้นเป็นกันหลายโรธหลายเรื่องเปลืองเวลาเป็นกฎแห่งกรรมประจําตัวประจำตนประจําบ้านของตอน นี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นเองทำมานุปัฏนาสถิปตฐานก็อที่ี่ทำในภายในเป็นกุศลหรืออกุศลทำไปแล้วจะได้ดีหรือจะได้ทั่วแต่ประการใดมันก็เกิดมาพันพัวอย่างที่ชี้แจงแสดงมาหนบัตรนี้นะเราะว่าอสติเนี่ยมันเป็นพลังภายในหรือเป็นกําลังภายในให้เราเรียกว่าปัญญาตัวนั้นสติเป็นอาหารจิตของผู้ปฏิบัติธรรม สติปัญญารักษาโลกให้เครียดไม่หายเครียดให้หายเปล่งได้หายปวดทีกข์ได้ไม่ปวดทุกข์ต่อไปเพราะมีสติปัญญาตัวนายช่วยไว้สติปัญญาทําให้ตัดสินใจได้ถูกต้องจะไม่เสียหายต่อไปจะไม่บกพร่องในตัวเองปัญญาสติสัมปชัญญะทําให้เกิดสมาธิคือทางระบายความกราดปลุ่มสรามองใจได้ เรามีสติทั้งบัญญาดีสมาธิมันก็จะบอกว่าทำให้หายกลายกลุ่มหายเช่ามองใจได้แน่นอนไม่ต้องไประบายคนอื่นฟังสมาธิหรือสติปัญญาเกิดจากภายในก็สามารถจะมีสมาธิดุดอ่าดุดอ่าดุดแบบตนอ่าแบบแบบมตแมตรีลดดวนไดน้สตาร์ชรัดชาดได้สติทั้งชัญญาเปรียบกระดุดว่า ตารวจปราบมีวอนห้าประการอย่างที่เคยพูดในโบทแล้วมีวอนห้านี่มันจะกัดกั้นความดีของเราไม่ให้ไปหาความดีได้สติ ป, ปัญญาเปรียบประดุจปัญญ า, ารกักษาโลกเชื่อมซึมโศกเศร้าเสียใจยได้แต่ท่านมีสติกําหนดไว้ได้ท่านจะแก้โลกเชื่อมซึมและโศกเศร้าจะไม่เสียใจยต่อไปแล้วขอฝากไว้ขอให้ทําให้ได้จริงปัญญา ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ต่างสติกําหนดได้ทุกอย่างสามารถจะตัดสินใจในปัญหาของชีวิตได้ถูกวิธีการเดี๋ยวท่านจะตัดสินใจผิดอาจจะเสียวิธีการเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดนี่แหละปัญญาสมาธิเกิดจากการมีสติเนี่ยมันมีปัญหาของชีวิตสามารถจะแก้ไขได้ถูกวิธีและถูกต้อง สติและไม่ชัญงยะทำไม่ให้ปวดที่สะไม่ให้เป็นโรคหัวใจน่ายแน่นอนที่จุดแล้วก็สติปัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนับลมเข้าออกคือพองหนอ้หนอยุุบน้อกสมาธิแบบเจริญอนุสติก็มีเปนเจริญสมาธิจำเบิดพุทธคุณธรรมกุณสั้งคุณสวดมนต์ภาุมกาก็ถือว่าสมาธิเหมือนกัน ก็ใช้ได้ผลเมือการสมาีิแบบเจริญอสุภภะเราก็เจริญอสุภะถาวน 9, ถาวนเกถวานสามคือบอ่บุญบ่บาปกายก็มาจาจิตทวานหกแปสวรรค์นรกจะบอกไว้ทุกประการดูในทวานหกครบเลยจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์จะไปมนุษย์อย่างไรถวานเก้า 9, ของเราตามบูกสองหูสองปากหนึ่งเป็นเจ็ด แปเก้าทวานหนักทวานเบาก็พิจารณาในร่างกายช่างขานว่าไมนปฏิกูลาัญญาหาความอหอมและชื่นใจไม่ได้เลยพิจารณานะแล้วก็โปร่งตังในร่างกายช่างขานพงเรามีต้องไปพิจารณาคนอื่นเขาแต่ประการใดสติธัรมชาญญะกําหนดพองหนอยกหนอที่อยู่กระท้องอเรียกจเจริญอนาปานสติได้ ียกให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้นั่นเองนั่นเองแล้วใจสติไปก็เจริญเจริญ ส, สติปัฏฐานสี่นั่นเองมีความหมายยังกล่าวแล้วอีกประการหนึ่งแต่หากว่ท่านเหตุใดที่จิตไม่เป็นสมาธิดะไม่มีสติเลยถ้าขาดการกำหนดไม่ค่อยกำหนดปล่อยละเลงหลงไปปล่อยให้มันไปตามชอบใจตามใจตนตลอดเลยการ ไหนเลยเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะท่านนางไม่ถูกวิธีอย่างหนึ่งกําหนดลมให้ใจไม่ได้อย่างหนึ่งยืนหนอไม่ได้อย่างหนึ่งหายใจเข้าพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองอไปแล้วนี่เห็นนั่งไม่ถูกวิธีอย่างหนึ่งสองจิตวิตกกังวลมากใน้มาจิตตกวิตกกังวลมากแล้วท่านจะไม่มีสมาธิเลยนะสามเหนื่อยมากเกินไปอยานะั ถ้าทำอะไรเหนื่อยมาก็หายเหนื่อยก่อนค่อยไปเดินจงกรมท่าเหนื่อยเหนื่อยนี้ถ้าไปเดินจงกรมทำไม่ห น, น้าท่านจะไม่ได้ผลนี่ยมันเหนื่อยมากยังกําหนดเหนื่อยไม่ได้ยังนี้เป็นตอนจิตท่านจะไม่สงบจะไม่เป็นธมาที่จะประการได้ซีป่วยหรืออาพาธหนะักถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนเป็นธรมารที่ยาก มันไปอยู่ที่เวทนากำหนดเวทนาไม่หายล่องคลางโวยวายโวยวา ย, วายตลอดเลกาสมาธิไม่เกิดเพราะท่านไม่เคยฝึกไว้ก่อนอ า, ารประการต่อไปลาค้าเกิดดำกิจฉาเกิดขึ้นแล้วถ้าสมาธิท่านจะไม่เกิดแนนอนโทสะเกิดกำหนดไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิต้องกำหนดให้โทสะมันหายไปก่อนโกรธหนอโกรธหนอให้หาย ถ้าโปรธน้อไม่หายท่านจะทําสมาธิไม่ขึ้นยังโปรดอยู่ตลอดยังผูกพยาบาทข้าพัเวงกันอยู่ตลอดโดยการสมาธิท่านจะไม่ดีจะไม่มีขึ้นจะเกิดไม่ได้มีอารมณ์กระทบไม่ได้กระทบเข้ามาแล้วไปลอยไป น, นู่นเลยท่านสมาธิท่านจะไม่เกิดจิตใจจะไม่สงบแต่ประการใดต้องอดทนอดกลัน้นอดอองปณิปยอมยอมความไว้นี่แหละการนั่งสมาธิ บำเพ็ญกิจภาวนาให้มีสติปัะญานฉยอยู่ตลอดเลยตาแล้ท่านจะมีสมาธิดีจะมีปัญญาเกิดสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกประการปัญหาของที่ท่านได้นั่นก็เป็นปัญหาที่ได้มาจากตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยสาาร้างแากปัญหาสาาร้างจาความทุกข์ความสนุกตลอดเลาโวรานท่านว่าไว้ตามคติธรรมที่มาเคยชี้แจงไปแล้ว เวลาใดทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าทูลาวศีเวลาใดทำใจให้หลาขีเหมือนมณีแตกหมดรสราคาอันความสุขทางใจมีหายากคนส่วนมากไม่ชอบจ ะ, สะแสวงหาชอบแต่จ ะ, จ ะ, สะแสวงหาความสุขสนุกในหูตามันจะพาชักจูงให้เรามันยุ่งใจตลอดรายการความยุ่งใจเกิดขึ้นแล้ว สมาธิท่านจะไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ปัญญาก็จะไม่มีขอฝากญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมไว้ทุกๆ ท, ท่านโปรดตั้งใจทำด้วยความตั้งใจเถิดทำด้วยความเคารพเราตั้งอธิษฐานจิตเขไว้แล้วว่าจะเดินจนกงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงขอให้ได้หรือให้มันเกินกว่าพอนั่งไปแล้วเวลาออกหนึ่งชั่วโมงมันยังมีเวทนาหรือมีความคิดฟุ้งกราอยู่อย่าเพิ่งลุก อย่าเพิ่มออกจากที่มันจะเคยตัวต้องกําหนดเวทนาให้หายก่อนกําหนดจิตให้ฟุ้งซ่านให้มันดุดก่อนจิตกาลังคิดกําลังฟุ้งซ่านกาลังยุ่งเหยิงกันขณะนั้นแล้วพอชั่วโมงพอดีที่ตั้งสัตย์อธิษฐานไว้เวลาจะนั่งหชั่วโมงอย่าเพิ่มลุกออกไปไม่งั้นทางจะทำต่อไปจะไม่ไดดีนะั้นดุจตอนอย่าเพิ่งลุก แต่แล้วเราก็ไม่ต้องตังตังหนอยุกหนอเพราะหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงก็กําหนดคิดกําหนดฟุ่งสร้างให้หายก่อนกําลังฟุ้งสรางอยู่มันหมดเวลาพอดีนะแล้วก็ปล่อยตามพุ้งสรา้างไหวนิจจัยถ้าท่านจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยต้องกําหนดให้หายก่อนไหนเมื่อกําหนดหายได้แล้วก็ท่านจะไปเดินตรงกลมด้ือนางใหม่ท่านจะจะรุ่งเรืองขึ้นปัญญาก็จะดีพามาทิศก็จะมาได้ไหว แต่หากว่าทำนั้นยังไม่กาหนดได้ปล่อยไปตามกระแสครึ่งกระแสลวมปล่อยตามเรื่องตามราวแล้วโยมที่ทำจะไม่ได้พ้นเวลาจะปวดหนักปวดเมือเ่อยเลอะเกินปวดก้นเลอเกินปวดขามากสุดแต่หมดเวลาแล้วอย่าเพิ่งลุกไปกาหนดปวดเมื่อยให้ได้ให้มีสติอยู่ก็ตรงนั้นต่อไปนั่งต่อไปไอาการปวดอย่างนั้นมันจะเคลื่อนโยกพลืนย้าย อาชาภาวรลูกที่อาศัยลูกเกิดนั่นสังขารปรงแต่งมันจะเคลื่อนย้ายออกจากนั่นไปแล่ถ้ามันจะไม่มาจับจุดนั่นคื อ, อปาทานก็มายึดมันที่นั่นต่อไปแล้วจะมีประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายเจตมาได้ชี้แจงสแสดงบรรัญญาตเรื่องการปฏิบัตินี้พอสมควรแล้วเพื่อเป็นทัศนะศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติของญาติโยมต่อไปขอกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากต่อไป อย่าไปสนใจอย่าไปคุยกันมันเสียอารมณ์แต่เราคุยกันมากไปเสียอารมณ์แล้วมานาันนั่งมันเดินมันไม่เดีผยวพึงต้องให้สงบเนคขมมะปฏิบัติให้เพ่งคลัตปฏิบัติอย่างดีต่อไปโยมจะให้มันเสียเวลาไปเปล่าเลยมันปฏิบัติต่อไปมันไม่มีทางจบไม่มีทางจบขอดอย่างที่เขาว่ากันวัดโนนบาบนา่นเขาจบขอดเดินหระยะเจ็ดวัน มันไม่ได่าอะไรเลยขอดนี้ยังไม่ได่ายังไม่ผ่านยืนหนอห้ครั้งยังไม่ได่าเห็นหนอเข้านันตะทิสะลงปลายเท้าจะได้รู้อนี้ใส่ไม่ดีคนนี้ดีพบได้สมาคมได้มันก็จะบอกเราได้มันมีประโยชน์แต่ธุระเกิดมีประโยชน์ต่ อ, อการทํางานและหน้าที่มีประโยชน์ต่ อ, อการรับผิดชอบชีวิตทุกตอนตลอดทั้งตายก็ได้เด็ดได้ดีมีปัญญาถึงจะจากโลกไปชูทัรรมปริยภพ จะได้ปลารบสุปติงปาทิกลางขาสกเกิดจากจิตใจแล้วตายจากโรคนั้นไปก็จะได้ไปสวรรค์แมนแดนสวรรค์ดูที่ทั้นฟ้าดูได้อยู่ความสุขความเจริญในชีวิต จ, จิตใจจนชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปอไมะสามารถจะไปนิพพานได้เราจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะได้มั่งมีสิสุขต่อไปจะมีเครื่องครอบอารมณ์ก็จะดีขึ้นมา มีลูกหลานในตระกูลใหม่ที่เราตั้งใจไปเกิดหรือว่าไปเกิดในนั้นก็จะได้หยิบได้ดีทั้งตระกูลเพิ่มปูนบริบูรณ์ตลอดเพราะอํานาจบุญกุศลนดนบันดาลให้คนได้ถ้าไร่บุญกุศลไอวาทนาแล้ยมันก็ไม่สามารถจะดนบันดาลให้ได้ต้องอา ศ, าศาัยบุญอา ศ, าศาัยกุศลอา ศ, าศาัยที่พึ่งของตนตลอดกาลเวลาที่อาตมาได้ชี้แจงเตรียมมาก็พอสมควรแก่เวลาในทัศนาศึกษา ในการบัญญาจึงเลี่ยมการเจริญสมาธิการเจริญสติปัฏฐานตรีการเดินทางใช่เอกตามมีปัญญาในภายในปัญญาในตัวจะได้แก้ปัญหาตัวเองได้และแก้ปัญหาช่วยคนอื่นได้เราพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีพระปัญญาคุณในในพระองค์ท่านต่างจึงเอาปัญญาของพระองค์ไปช่วยชาวโลกให้พ้นด้วยจากกองทุกข เออิดแสงสว่างของปัญญานี่เองทำให้เราสว่างสวัยโลกแ ส, มส่มใสตลอดกาลเวลาจนชีวิตนี้และชิตหน้าต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสำ ม, มาปฏิบัตินหน้าที่จงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะถูกขาพระพปฏิพานนาสานสมบัติ นมกคลิดจีหนึ่งประการได้ชมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เธอ